ข้อความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วหน้า179นะใครที่คิดได้เหมือนสุมเมรบัณฑิตนี่น่าจะอยู่ครองเรือนไม่ได้งั้นนะถ้าเห็นอริยสัจเป็นพระอริยบุคคลก็ดีไปถ้ายังไม่เป็นโดยมากก็จะบวชท่านบอกว่าสุมเมรหลังจากที่ตีกลองเปลาร้องประกาศให้ทานแก่หมูมหาชน แล้วก็ละวัตถุกรรมละกิเลส ก, มออกามออกจากออกจากอมรานครเนี่ยนะซึ่งเหมือนเ ส, ม, ส ม, มือนเทพนครอันประเสริฐไปลําพังแต่เพียงผู้เดียวก็ไปอยู่อาศัยธรร ม, มิกบรรพศธรรมิกาบรรพศแปล ว, ว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในภูเขานี้ไปประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็เรียกว่าธรรมิกาและว่าภูเขาเป็นที่ประพฤติธรรมของหมู่ชนนั่นเองในป่าหิมมวันแต่ประเทศที่มีฝูงเนื้อนาน า, นานชนิด ทำอาสมสร้างบรรณศาลาอยู่ณที่นั้นสร้างที่จงกรมที่เว้นจากโทษ5ประการละทิ้งผ้าอันประกอบด้วยโทษ9ประการนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบด้วยคุณ12ประการเพื่อรวบรวมกําลังแห่งอภินญาที่ประกอบด้วยคุณ8ประการคือหลังจากที่บวชแล้วก็ทํากิจของนักบวชทั้งหลายเข้าบวชแล้วอย่างนี้ละบรรณศาลาที่เกลื่อนกล่นไปด้วยโทษ8ประการเข้า เข้าไปอาศัยโคนไม้ที่ประกอบด้วยคุนสิบประการละธั ญ, ญชาติหลากชนิดทุกอย่างบริโภคแต่ผลไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติตั้งความเพียรโดยการนั่งการยืนและเดินคือไม่นอนนะได้สมาบัติ8และอภิญยาหภาพายใน7วันเท่านั้นก็7วันนี้ก็สำเร็จวิชาโลกิยะทุกประการนะแม้ว่าว่าถือว่าพบสานี่อยู่ในกา ม, มือเรียบร้อยแล้วนะนะเลือกจะเกิดณที่ใดก็สบาย คือข้อความในพุทธวงศ์ที่เป็นบาลีพุทธพจน์เนี่ยนะกล่าวเป็นคาถาว่าเราครั้นคิดอย่างนี้คืออะไรคิดแบบไห น, นคือคิดมีการเปรียบเทียบระหว่างการอยู่ในภพระหว่างการออกจากภพคิดถึงวิธีว่าออกจากภพแล้วดีอย่างไรถ้าอยู่ในภพแล้วเสียหายอย่างไรใคร่ครวนจนถึงขนาดเรียกว่าน้อมไปในการออกจากภพอย่างเต็มที่ก็เลยให้ทานหลายร้อยกฎ แก่คนที่ไม่มีที่พึ่งบ้างทั้งที่มีที่พึ่งหรือไม่มีที่พึ่งใครที่ต้องการให้หมดมั้งแล้วก็เข้าไปยังหิ ม, มาวันตตะประเทศในที่ไม่ไกลจากหิ ม, มาวันต์ประเทศมีภูเขาชื่อว่าธามิกะเราก็ทําอาสมสร้างบรรณาศาลาณนะที่นั้นเราก็สร้างที่จงกรมอันเว้นด้วยโทษห้าประการรัวบรวมกําลังแห่งอภิญญาอันประกอบด้วยคุณแปประการ เราสละผ้าอันมีโทษ9ประการไว้นะที่นั้นนุ่งผ้าเปลือกไม้อันมีคุณ12ประการเราสละบรรณาศ า, าลาอันเกลื่อนกล่นด้วยโทษ8ประการเข้าไปอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุณ10ประการเราละธัญชาติที่หว่างที่ปลูกโดยไม่ได้เหลือเลยบริโภคแต่ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันพรั่งพร้อมไปด้วยคุณเป็นอันมาก เราตั้งความเพียรในที่นั้นด้วยการนั่งการยืนการเดินได้บรรลุ ก, กำลังแห่งอภิญยาภายในเจ็ดวันเท่านั้นถามว่าทำไมภูเขาลูกนี้จึงชื่อว่าธรรมิกะก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากบวชเป็นฤาษีเข้าไปอาศัยอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นทาอภิญยาให้เกิดแล้วประพฤติสมณะธรรมฉะนั้นภูเขาลูกนั้นปรากฏชื่อว่าธรรมิกะ เพราะเป็นที่อาศัยแห่งบุคคลผู้มีสมณะธรรมคือผู้ที่เข้าประพฤติธรรมเนี่ยเหมาะมากคำว่าอัสโมกุสุกโตไมหังเป็นต้นตราดไว้เหมือนว่าสุเมศบัณดิตเนี่ยไปถึงสร้างศาลาที่จงกรมสร้างด้วยฝีมือของตนเองแต่ที่แท้ที่จริงแล้วท่านไม่ได้สร้างด้วยฝีฝมือของตนเองเพราะเท้าสักกะทรงวิษณุกรรมเทพบุตไปสร้างไม่ใช่หรือ คือคือพูดเหมือนกับว่าสร้างด้วยมือของตัวแต่บอกว่าแกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงผลสําเร็จนั้นซึ่งเกิดด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ในครั้งนั้นคือถ้าหากว่าพระองค์ไม่สร้างบุญมาอย่างเพียงพอท้าวส ก, กัดจะใช้วิศณุกรรมเทพบุตรไปสร้างให้หรือพันวิศณุกรรมสร้างให้ก็จริงอยู่แต่ก็เรียกว่าเหมือนกับสร้างด้วยตัวเพราะว่าเป็นผลบุญของตัวอันพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าสารีบุตร ณภูเขานั้นเราทําอาสมสร้างบนนารรณศาลาสร้างที่จงกรมอันเว้นจากโทษ5ประการไว้ณที่นั้นสร้างบรรณาศาลาบรรณาเนี่ยนะาาบัรณนะะบางทีก็แปลว่าหนังสือก็ได้แปลว่าใบาไม้ก็ได้สมัยก่อนเนี่ยนังสือเขาเขียนด้วยใส่ใบไม้เรียกว่าใบาลานก็เรียกว่าปัรณานนเนี่ยนะส่วนสมัยศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้ก็เลยเรียกว่าบันนาารณาศาลาเหมือนกัน สร้างปนณศ า, าลาศาลามงบางด้วยใบไม้โดยมากก็ใช้ใบใบาจากบ้างใบย่้า่าบ้างตองตึงบ้างนั่นบทว่าปัญจะโทษะวิชิตังได้แก่เว้นห่างไกลาจากโทษแห่งที่จงกรม5ประการคือโทษของสถานที่เดินจงกรมเนี่ยนะมีอยู่5อย่างคือลักษณะที่จงกรมที่มีโทษว่างั้น ห้าอย่างอะไรบ้างคือ1ถ้าสถานที่ตรงนั้นแข็งด้วยครุขระด้วยอันนี้ก็เดินยากเนะี่ยเดินอย่างไงี้เท้าพองได้เลยหรือว่าอยู่ในต้นไม้มีกิ่งที่รกกําบังแคบเกินไปกว้างเกินไปอย่างเช่นว่าอยู่มีต้นไม้อยู่ข้างในรกก็รกแคบก็แคบบางทีก็กว้างเกินไปเหมือนสนามหลวงเนะี่ยนะจะไปเดินยังไงเพราะฉะนั้นกําหนดอย่างสูมท่านบอกว่าที่จงกรมนั้นควรยาว6กศอกก็คือ30เมตร อันที่ที่เดินน่ยนะควรสัก30เมตรกว้างศอกเครื่องศอกเครื่องก็ประมาณ75เซนเมตรเนี่ยนะกว้าง75เซนติเมตรยาว6เอายาว30เมตรเนี่ยจึงเป็นสถานที่เหมาะที่จะเดินเพราะถ้ากว้างกว่านั้นท่านก็บอกท่านก็บอกว่ามันมีโทษอีกในัยยะหนึ่งบทว่าปัญจะโทสาวิชิตังได้แก่เวน้นห่างไกลาจากโทษคือนิวรห้าอธิบายว่าถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุมรกผลหรือโดยเฉพาะบรรลุฌานอภิญยาการที่เข้าไปอยู่เรลเลนสิ่งที่สำคัญมากต้องกีดกันนิวรณ์ออกไปจากความคิดเนี่ยนะโดยเฉพาะอากุศลวิตกทั้งหลายบทว่าอัถาคุณะสมุเปตังหมายว่าชักนำกำลังแห่งอภินยาอันประกอบด้วยคุณ8ประการคือตัวอภิญยาเนี่ยนะหมายคึงว่าจตุทชาตที่เป็นบาตแห่งอภิญญาเนี่ย มันมีองคุณหรือมีความสามารถพิเศษในจิตประเภทนี้อยู่แปประการคือเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้ย่อมหมดจดเป็นจิตที่หมดจดไม่มีนิวรณ์เป็นต้นกลุ่มรุมไม่มีวิตกวิจารณ์ที่จะทำให้สร้างความเสียหายโดยสองสะอาดมาเป็นจิตที่สะอาดแล้วก็ไม่มีมนทินข้อสานะปราศจากอุปกิเลสหเนี่ยอ่อน6ควรแกการงานเจ็ดมั่นคงแดไม่หวั่นไหว อันนี้ถือว่าเป็นจิตพอสมควรที่จะรองรับอภินญาหสมาบัติ8ได้เชื่อมความว่า เ, เราสร้างอาสมอันประกอบด้วยส ม, มณสุข8ประการประกอบพักพร้อมด้วยส ม, มณสุข8ประการเหล่านี้ถามว่าสุขของส ม, มณะเนี่ยนะแประการมีอะไรบ้างหนึ่งไม่หวงแหนทรัพย์และข้าวเปลือกแบบสองท่านบอกว่าสแสวงหาบินทบาทที่ไม่มีโทษ3บริโภคก้อนข้าวเย็นแล้ว มานะไม่คือจริงอะนะทับโดยเฉพาะใช้ชีวิตบินถ้บาดชันเนี่ยข้าวร้อนๆนี่ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยตอนสายนี่ร้อนจริงอะแต่กลับไปถึงวัดก็จืดชืดมาแล้วเหมนกันมันก็ได้แต่ก้อนข้าวเย็นๆไม่มีกิเลสเครื่องเบียดเบียนรัดเมื่อพวกราชชบุรุษเอาแต่เบียดเบียนรัดถือเอาทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้นหมายว่าไม่ต้องไปกดขี่คมเหงเอาจากผู้ใดทั้งนั้นแหละ แล้วก็ปราศจากฉันทราคาในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายคือไม่มีวัตถุใดพอที่จะมาคอยห่วงแหนทธนุถนอมะนะไม่มีภัยเพราะการปล้นของโจรแล้วก็ไม่ต้องไปคลุกคลีกับพระราชามและมหาอามาตของพระราชาไม่ถูกกระชบกระทั่งในทิศ ท, ทั้งสี่คือไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อาจารย์บางพวกท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่แตกถ า, าท่านบอกว่าอันนี้ก็คาอธิบายแนวนี้ไม่สมควรกับบาลีเลย ก็แปลว่าอันนั้น ว, วิธีคิดอีกวิธีหนึ่งะนะดูก่อนสารีบุตรเราเมื่ออยู่ในที่นั้นก็เสียสละผ้าที่มีค่ามากที่ตนนุ่งห่มเสียเมื่อจะละผ้าก็เห็นโทษ9้าประการในผ้าจึงได้ละผ้าออกไปหมายก็ว่าผ้าแบบที่มนุษย์ทั่วไปใช้เนี่ยนะความจริงประกาศโทษ9ประการในผ้าแก่ผู้บวชผู้เป็นนักบวชทั้งหลายาที่เป็นดาวบวชทั้งหลายเนี่ยจะเห็นโทษของผ้า โทษก้าประการของผ้าคืออะไรบ้างแสดงว่าเราละผ้าที่ประกอบด้วยโทษ9ก้าประการเหล่านี้คือหนึ่งผ้าเป็นของมีค่าชีวิตนักบวชอยู่ด้วยผู้อื่นผ้าเนี่ยปกติมันมีค่ามีราคาสมัยที่เรียกว่าผ้าหายากด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวสิ้นชีวิตเพราะผ้าล่ะชีวิตนักบวชบอกว่าต้องอยู่ด้วยผู้อื่นแต่ผ้าเนี่ยเป็นของมีค่านี่พูดแบบพวกฤาษีนะ ผ้าก็เศร้ามองไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะการใช้ใช้วันหนึ่งมันก็เก่าไปเรื่อยนะเก่าตั้งแต่จับต้องซักฟอกเป็นต้องเริ่มเก่าไปเรื่อยๆแหละสผ้าที่เศร้ามองแล้วจําต้องซักต้องย้อม 4. ผ้าเก่าไปด้วยการใช้ 5. ผ้าที่เก่าแล้วจําต้องทําการชุนทําการปะ 6. บอกว่าผ้าเนี่ยเกิดได้ยากในการแสวงหาผ้าใหม่ไม่เหมาะแก่การบวชเป็นดาบด แเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่พวกโจรต้องคุ้มครองโดยประการที่พวกโจรจะลักไปไม่ได้จริงนะปากแถามว่าเอ้ผ้าตราจีวรของพระเนี่ยรักไหมบอกรักเหมือนกั น, นเคยมีโจรไม่รู้ไปรักผ้าพระนะเขามีแล้วก็ผ้านี่ถือว่าเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวของผู้นุ่งผู้หม่ม9บอกว่าผู้ที่เที่ยวไปกลายเป็นคนมากมากนะมันก็เลย กลับมาใช้แต่ภาพเปลือกไม้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะศีลของดา บ, บ ท, ทั้งหลายเนี่ยสมท า, านอุโบสถเท่านั้นเองจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องศีลอย่างอื่นทั้งนั้น น, นะนะเขาเขารู้แต่อุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นแหะที่เขาสมาทานที่เขารักษาหรือไม่ก็รักษาศีลสิบเท่ากับสมัมมาเนส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นเขาไม่รู้หรอกเพราันอ่าอย่างใครผู้ใดไปเห็นอย่างนี้เข้า ก็เลยถือว่านี่ไงข้อปฏิบัติของพระพิสุทขทั้งหลายควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายคำ ว, ว่าพระองค์เนี่ยตอนที่พระองค์บวชเป็นฤาษีพระองค์คิดอะไรและพระองค์ทําอะไรทําไมจึงออกจากเมืองไปบวชออกไปบวชแล้วไปอยู่สถานที่ตรงไหนที่จงกรมของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ไปใช้ผ้าอะไรเช่นไปใช้ผ้าเปลือกไม้คิดยังไงจึงได้ใช้ผ้าเปลือกไม้ใช้ผ้าธรรมดาไม่ได้หรือคือท่านเห็นคุณเห็นอ น, นิสงของทุกอย่างที่ท่านทำ คือทุกอย่างที่ทํานี่เกิดการไข ค, ครวนหมดเสร็จสิ้นเป็นคนละเอียดละออมากอย่างที่บอกว่าใช้ผ้าเปลือกไม้มีย น, นิสงสิบสประการ12ประการมีอะไรบ้างบัง1มีค่าน้อย2ไม่เนื่องด้วยผู้อื่น3อาจทําด้วยมือของตัวเอง4เมื่อผ้าเก่าเพราะการใช้ไปก็ไม่ต้องเย็บผ้าไม่มีโจรภัย์รู้จะปล้นเอรรราไปทำอะไรเปลือกไม้อะนะหกก็สแสวงหาได้กง่าย7เหมาะแก่การบวชเป็นดาวบว8ไม่เป็นฐานะแห่งการแต่งตัวของผู้ใช้ ก้มีความมักน้อยในปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มจีวรเส็ใช้สะดวก11เปลือกไม้ที่เกิดก็หาได้ง่ายเขามีไอ้ต้นต้นชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพอตัดมาปั๊บเนี่ยนะแล้วก็ปอกเปลือกออกมาแล้วมาทุบๆๆๆแล้วสยายออกมา ก, ก็เป็นผ้านุ่งแหละแต่ตากสัหน่อยหรือซักสักนิดหนึ่งก็นุ่งได้เลยแต่ก็แหมผิวของใครที่ใช้ได้นี่เก่งมากนะ น, นะเพราะแหมมันผ้าป่านนะกระสอบป่านเนี่ยมันน่าจะน่าจะนิ่มกว่าว่างั้นเถอะ บางคนที่มีผิวพันธุ์ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะใช้ได้คนธรรมดาทั่วไปใช้คงถลอกหมดแหละแล้วก็ท่านบอกว่าก้าวมีความมักน้อยในปัจจัยคือจีวรสะดวกในการใช้เปลือกไม้ก็ที่เกิดข็หาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายบอกว่าแม้เมื่อภาพเปลือกไม้สูญหายไปก็ไม่เสียดายเหมนกันหายไปวัลผืนก็ไม่เสียดา ย, ยานะ ครั้งนั้นท่านสุเมธบันเด็ดอยู่ณบันนศ า, าลาอาสมนั้นตอนใกล้รุ่งคือคือไปถึงก็ละพวกต่างๆอย่างที่ตัวเองต้องการเสร็จแล้วเนี่ยนะไปถึงก็พักผ่อนนะหายเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาไกลพิจารณาตอนใกล้รุ่งใกล้สว่างก็พิจารณาเหตุแห่งการออกบวชของตนว่าทําไมจึงมาบวชก็เลยคิดได้อย่างนี้ว่า เราละบ้านเรือนซึ่งมีประกา อ, อาการประหนึ่งที่อยู่อันประเสริฐของเทพยดาละบ้านละเมืองเหมือนวิมานของเทวดานี่นะที่งดงามด้วยสมบัติอันโอฬานหน้าเรื่อนรมของคฤหัสชนด้วยการสัมผัสกำไลมือกำไลเท้าใหม่เป็นต้นละคนด้วยเสียงและ ก, ก็การหัวเราะการพูดไพเราะเหมือนก้อนเขละคือสิ่งที่ท่านสละมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งธรรมดาจริง เข้ามายังป่าตะโปตะวันตะโปวันเนี่ยตโปวันตะบะบวกว น, นะตะบะแปลว่าความเพียรเครื่องกำจัดความเศร้ามองความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งความหมดจดว น, นะก็คือป่านี่นะเราสละของทุกอย่างมาอยู่ในตะโปวันบำเพ็ญตะบะเครื่องลอยบาปแห่งชนทั้งปวงเพราะเป็นผู้เพลิดเพลินด้วยวิเวก แต่การที่เราอยู่ในบรรณศาลาอาสมนี้ของเราก็เป็นเหมือนกับการครองเรือนอีกครั้งที่2จากเรือนหนึ่งและกลับมาสู่อีกเรือนหนึ่งเอาเถอะเราจะอยู่เสียที่โคนไม้พระองค์ก็เลยตรัสว่าเราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกลลด้วยโทษ8ประการโทษแปประการของบรรณศาลามีอะไรบ้างคือโทษของกุฏินะโทษของกุฏิบรรณศาลามีอะไรบ้างคือ1การที่สร้างให้สําเร็จจําต้องใช้เครื่องสัมภาระมากนะ ก็ใครเคยมีประสบะการณ์การก่อสร้างสร้างด้วยมือของตัวเองจะรู้ว่าไม่ใช่ของน้อยๆเลยนะเอามากองเยอะแยะไปหมดเลยประกอบประกอบการเข้าบอกขาดซะอีกอันนี้พันธุาระของการก่อสร้างนับตั้งแต่เสาตั้งแต่ไม้อะไรไม้ฝาไม้พื้นนะไม้หลังคาไม้จันทันเครื่องมงเครื่องบังเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สองจำต้องบำรุงอยู่เป็นนิดด้วยหญ้าและใบไม้ดินเหนียวเป็นต้นนะของที่ฉาบไว้ไม่ดีเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ฉาบต้องบำรุงรักษาอยู่นั่นแหละ สาจำต้องออกไปโดยเข้าใจว่าไม่มีเอกคตาจิตสําหรับผู้จําต้องออกไปในเวลาไม่สมควรด้วยคิดว่าขึ้นชื่อว่าสมณ ะ, ะเสนาสนะจักสุดโสมไปคือบางทีเนี่ยเวลาจะออกไปก็ห่วงหาอะไรอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละบางทีจิตตอนอยู่ในสมาอตอนอยู่ในห้องพักเนี่ยเป็นสมาธิง่ายเวลาออกไปใจก็ไม่ค่อยเป็นสมาธิบางทีคือเป็นคนที่เรียกว่ามีที่พักแบบนี้นะไม่ค่อยมีความตรกตรํา สามจต้องทนุถนอมกายเพราะการกระทบเย็นร้อนเป็นต้นเนี่ยนะ เ, เรียกว่าช่างค่อนข้างสำออยังั้นเลยสีต้องปกปิดคําครรหาที่ว่าผู้เข้าไปในเรือนอาจทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็คือยังอะไรนะสากคนสามารถฟ้องได้ว่าเอ๊ะเข้าไปอยู่ในที่พักไปทำอะไรคือสามารถเป็นที่ตั้งแห่งคําคอรหาได้ 5. ต้องห่วงต้องหวงแหนวันนี้ของเราห่วงอืู่นะที่พักเนี่ย แล้วก็หต้องนึกอยู่เสมอว่านี้บ้านเรือนมีอยู่คือถ้ามีบ้านมีเรือนอยู่มันก็ต้องอยู่อย่างผู้มีเพื่อนเหมือนกับมีเพื่อนเลยแหละ7ต้องเป็นของทั่วไปแก่คนเป็นอันมากเพราะต้องทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายมีอะไรมีเลนมีเลือดมีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีหนูเนี่ยนะโอ้ยพวกเยอะเนี่ยนะดีไม่ดีงูเขียวเข้าไปอยู่ด้วย หนูเนี่ยไอหลังคาหญ้าเนี่ยแม่มกัดดีเหลือเกินเนยนะเข้าไปกัดทํารังอยู่ในนั้นแหละบอกท่านหนูเข้าไปงูก็ตามมาถ้าหากว่าจุดไฟเปิดไฟด้วยตุ๊กแกก็จะตามมาเพรา ะ, มะแมลงเข้ามาที่ใดตุ๊กแกก็จะตามมาหนูก็ตามมาทีนี้ถ้ามันมีซากสัตว์ตายมดก็ตามขึ้นมาคระเนี่เอาเธอฉีดยาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะโอยชุลมุนวุ่นวายมันก็เลยคิดว่าเออละสาราซะละบรรณาสาลาซะ เข้าไปอยู่โคนไม้เนี่ยนะเราปฏิเสธที่กำบังคือเสสนาสนะอย่างนี้เข้าไปยังโคนไม้อันประกอบด้วยคุณ10ประการ10ประการของการอยู่โคนไม้มีอะไรบ้างบอกว่า10บอย่างก็คือหนึ่งมีความริเริ่มขวนขวายน้อยถามว่าต้นไม้ต้องก่อสร้างขึ้นไหมไปทําอะไรบ้างมีอยู่แล้วสองได้ความไม่มีโทษโดยง่ายเพียงว่าเข้าไปในโคนไม้เท่านั้นจะไปให้ยากอะไรโคนไม้ก็เดินเข้าไปก็เรียบร้อยแล้ว สามธรรม น, นิจจะสัญญาให้ตั้งขึ้นด้วยการเห็นความแปรปรวนของต้นไม้และใบไม้อันนฤดูกาลของต้นไม้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวใบไม้ก็ร่วงหล่นมาเรื่อยๆให้เห็นอันนี้จะสัญญาก็จะปรากฏนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แลแล้วก็สี่ไมตรีในเสนาสนะคนอื่นจะมาอาศัยโคนนี้บ้างก็ยินดีเนี่ยนะไม่รู้สึกว่าอิจฉาริษยาตาร้อนอะไรกับคนที่อยู่โคนไม้เลย แล้วก็ห้าเมื่อจะทำชั่วนะโคนไม้ย่อมละอายเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าแหมไม่มีที่จะที่รับพอที่จะทำชั่วได้อย่างน้อยก็อายเทวดาข้างๆกันเถอนั้นเมนไม่ทำความหวงแหนคือไม่รู้สึกตนีแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่กับเทวดาปฏิเสธที่กําบังใช้สอยสะดวกไม่หวงใหญ่เพราะเสนาสนะคือโคนไม้หาได้ง่ายไปทุกสถานที่ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีโคนไม้บ้างนะ โคนไม้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่อันนี้นี่พูดถึงที่ทั่วไปอ่ะนะโดยเฉพาะในป่าแล้วเนี่ยต้นไม้ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยก็เลยเข้าไปยังโคนไม้พระองค์ก็ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเออกล่าวถึงข้อวัดปฏิบัติของพระพิสูจ์ว่าโคนไม้พระพุทธเจ้าผู้ประเรสริฐสรรเสริญแล้วเพราะว่าที่จริงพระพุทธเจ้าก็ประสู ต, ทนะตสิที่ไหนโคนไม้นะตรัสรู้ที่ไหนโคนไม้แสดงธรรมจักเนี่ยนะตอนนั้นก็แถวโคนไม้ร่มไม้นั่นแหละ โปรงก็เลยตรัสว่าต้นไม้เนี่ยนะเป็นที่อาศัยเป็นนิสัยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สงัดเสมออาณาธี่สงัดเสมอด้วยโคนไม้จะหาได้แต่ที่ไหนอยู่โคนไม้นี่เงียบสงัดแต่ก็ต้องเลือกโคนหน่อยนะไม่ใช่ไปเลือกโคนไม้ตรงสี่แยกขวางใช่อย่างนั้นที่จริงผู้อยู่โคนไม้อันสงัดอันกําจัดความตรนีที่อยู่อันเทวดารักษาแล้วชื่อว่าภูมิวัดดีมันคนที่อยู่โคนไม้นี่ถือว่ามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติเนี่ยนะ ก็อย่างว่าคนที่ทํากรรมชั่วโดยมากก็ต้องการที่ปิดที่บังที่เร้นใช่ไหมคนที่เปิดเผยตัวเองเนี่ยนะไม่มีบาประกรรมก็สามารถที่จะอยู่โคนไม้ได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นผู้เห็นต้นไม้และใบไม้ที่มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นอันหลนแล้วย่อมบรรเทาความสําคัญหมายว่าเที่ยงคืนนิจจะสัญญามีความเข้าใจว่าเที่ยง น, นะกำจัดความเข้าใจว่าเที่ยงเสียได้ก็คือจะเห็นว่าจะเอาอะไรเป็นความแน่เที่ยงแท้แน่นอนแท้ ก็ดูต้นไม้เนี่ยนะก็ต้นไม้บางฤดูการบางต้นเนี่ยพออย่างเช่นปลายหนาวไปแล้วเนี่ยนะมันจะร่วงหมดเลยมันจะร่วงพอฤดูร้อนมันก็เริ่มมีใบอ่อนๆแตกขึ้นมานะแล้วก็เริ่มมีกิ่งดอกช่อสิ่งเหล่านั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูการก็จะเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนความแปรเปลี่ยนไปของ ของต้นไม้แล้วก็น้อมมาพิจารณาภายในว่าภายในเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปตามวันเวลาและฤดูกาลนั่นเองเพราะฉะนั้นแลผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ไม่ควรดูหมิ่นโคลนไม้อันสงัดที่เป็นทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ยินดีอย่างยิ่งในภาวนา ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมควรที่จะเจริญเมตตาภาวนาเจริญอสุภะเจริญอนิจจสัญญาเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาพันโคนไม่เนี่ยถ้าอยู่ได้อยู่ได้นานอยู่แบบคนมีกรรมฐานค่อนข้างเจริญเนี่ยแต่ขณะเดียวกันต้องเป็นคนมีสุขภาพดีระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโคนม่เนี่ยรับลมเนี่ก็รับเต็มที่เหมือนกันร้อนกบบ็บางแห่งบางครั้งเนี่ยอาจจะร้อนบ้างพายุก็เข้าเต็มที่เนี่ยนะ บทีก็ถือว่ามันใกล้หมอกใกล้น้ําค้างพอสมควรเลยแหละทั้ง ค, คนที่มีสุขภาพดีหน่อยเคยไปพักอยู่บางที่เนี่ยนไปพักอยู่กลางคืนเนี่ยน้ำค้างมันแรงมากน้ําค้างมันแรงก็เลยเช้ามานี่ก็ไอระงมไปหมดเลยทั้งนะคนที่จะอยู่นี่ก็ต้องอดูแลสุขภาพหลายๆด้านให้ดีกันล้กันครั้งนั้นโซเมตบัณฑิตเห็นโทษของบรรณสาลาได้อานิสงค์คืออยู่ในเสนาสนะคือโคนไม้แล้ว ก็คิดให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะตอนแรกสันโดษในเครื่องนุ่งห่มก่อนใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มแล้วมันมีที่อาศัยสันโดษในที่อยู่อาศัยอีกก็สันโดษต่อไปอาหารว่าการที่เราเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อสแสวงหาอาหารเนีย่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์ในไรทุกข์ในการสแสวงหาอาหารเราไม่ใช่เพราะสิ้นไรอย่างไรคือหมายความว่าไม่ใช่สิ้นไรไม้ตอกไม่มีที่ไปแล้วจึงออกบวชไม่ใช่ออกบวชเพื่อต้องการอาหาร แต่ทุกมีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลไม่มีประมาณก็ดูทุกในโลกที่ทุกคนตรากตรำอาบเหงื่อตากน้ําเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเนเพราะอะไรก็เพราะต้องการอาหารเพราะอาหารนี่มีแต่ทุกขที่มีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลเท่านั้นแหละถ้ากระไรเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยต้นไม้ผลไม้มีผลดกมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป่าเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแหละสู้ลิงไม่ได้หรอก นนไม่สู้ลิงไม่ได้สู้นกไม่ได้อะนกเอาไปกินหมดแล้วนะคงคงจะอยู่ยากเลยแหละแล้วก็ต้นไม้ต้นไหนพอจะมีลูกหน่อยเนี่ยนะนอนเต็มไปหมดเลยก็อยู่ตรงข้างๆนี น, นะที่พักปีที่แล้วที่อยู่เชียงใหมมันจะมีต้นไมน้คล้ายๆฝรั่งป่านะเป็นกลุ่มฝรั่งนกฝรั่งป่าอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันหอมมากแต่ว่าแม่แกะลูกไหนก็นอนเต็มไปหมดทั้งนกทั้งใดเดี๋ยวนกก็จิกกินกระรอกกระแตมากัดแล้วก็นอนแต่เราเชื่อว่าผลไม้เหล่านี้ทานได้ นะเพราะว่าถ้าฐานไม่ได้จริงนกก็ทานไม่ได้กระรอกกระแตเป็นต้นก็ทานไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากทานได้นั่นแหละแต่ว่าแม้นอนนี่เยอะๆยเลยแหละก็ยากเพราะว่าเป็นสมัยที่กันดารผลไม้มากเนี่ยนะอย่างณโยมก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนเมืองจันเนี่ยฟันไม่ค่อยดีบอกทําไมบอกกัดผลไม้ที่ผสมยาฆ่าแมลงพวกนั้นก็เลยฟันไม่ค่อยดีนะเขาเล่าให้ฟังจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าฟันไม่ดีจริงๆแหละอันนี้แน่นอนคือมัน แล้วก็โดยเฉพาะผลไม้ที่แปดเปื้อนกับยาฆ่ามแมลงก็แทนที่จะทักษาให้ฟันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมเอกไม่ใช่ตอนสมัยนั้นมีผลไม้ที่เกิดดามธรรมชาติเนี่ยเยอะเมื่อจะแสดงถึงความวิเศษของประโยชน์ก็เลยตรัดเป็นคาถาว่าเราละธั ญ, ญชาติข้าวที่หวานแล้วข้าวที่ปลูกแล้วโดยไม่เหลือเลย บริโภคแต่ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันพรั่งพร้อมด้วยคุณเป็นอันมากอันหนึ่งก็น่าจะมีกล้วยนะมีกล้วยแม้แต่ถ้าทานกล้วยป่าเราก็ยอมเออเนย่านีมเมล็ดเต็มไปหมดเลยมีอยู่ทางเดียวท่านั้นเอามามาผสมน้ําแล้วคลุกคลุกกับ น, น้ําแล้วค่อยๆเอาเมาเล็ดออกเนี่ยพอค่อยอยังชั่วหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ทําแบบนี้นะไม่รู้จะทานลงตรงไหนไม่ทราบแล้วก็ แต่มันก็เนื้อมันก็หวานแล้วมันก็หอมแต่ว่าเนื้อมันนี่เดียวเนี่ยนะแล้วถ้าหาว่าแมมกัดเม็ดมันซะสิเนี่ยนะโอ้โหฝาดขนาดนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะฝาดมากเลยนะเรียกว่ารสของกล้วยหวานนี่ไม่รู้มันายไปไหนหมดแต่ว่าเขาก็มีเคยมีสำมเนินเอาเอ า, เอ า, เอาน้ำน้ำกล้วยเนี่ยเอาลูกกล้วยหอกกล้วยป่าสุกๆเนี่ยมาทำเป็นน้ําปานะก็หอมดีหอมกว่ากล้วยบ้านกล้วยทั่วไป